ด้วยประกาศรัชนีผู้บวชในศาสนาของพระศาสดาทาอิ่มใจพอใจติดอยู่ในลาบสการะชื่อเสียงหรือยศศักดิ์บรระชานั้นชื่อว่าไม่ได้รับอานิสงตามความมุ่งหมายเพียงจะได้กิ่งไม้ใบไม้ไปเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่สมเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการกลับจะเป็นโทษที่หลงยึด่อสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และยกตนข่มผู้อื่นว่าไม่มีลาบสการะชื่อเสียงหรือยศศัตด์เหมือนตนทำจิตให้เหลิงและมัวเมาอยู่ในลาบสการะและยศนั้นเพราะถือเอาลาบยศเป็นจุดมุ่งหมายหรือผลอันพึงได้จากการบรรพชาเสียแล้วไม่ต้องการคุณธรรมอันประนีกว่าดีกว่านำความสงบเย็นมาให้มากกว่าและปนทางสิ้นทุกข์โดยชอบจึงจมอยู่ในลาบสการะ ชื่อเสียงและยศศัก์นั้นเกี่ยวกับลาบสการะและชื่อเสียงที่มีอํานาจครอบความจิตของบุคคลแล้วทําอันตรายนั้นพระสถากุศเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์ตรัสไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียงเป็นของทารุณเผ็ดภร้อนหยาบคายเป็นอันตรายแก่การบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสอาสวะ เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงตั้งใจว่าเราจักละลาบสการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเสียและจะทำโดยวิธีที่มันจะครอบงำจิตใจไม่ได้เพิกสูทั้งหลายเปรียบเหมือนปลาที่เห็นกรเยื่อกลืนเบ็ดที่พลานเกี่ยวเหยื่อแล้วหย่อนลงไว้ในห่วงน้ำลึกมันได้รับทุกขเวทนาถึงความพินาดพานเบ็ดย่อมทาปลานั้นได้ตามความพอใจ ภิกษุทั้งหลายคําว่าพรานเบ็ดเราหมายเอามารผู้ใจบาปคําว่าเบ็ดเราหมายเอาราบสการะและชื่อเสียงภิกษุใดยินดีพอใจในราบสการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วเรากล่าวว่าภิกษุนั้นกลืนเบ็ดของมารเข้าไปแล้วย่อมได้รับความทุกข์ทรมานถึงความพินาศอันมารผู้ใจบาปพึงทําเอาได้ตามความพอใจของตน ภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียงนั้นทารุณเผ็ดร้อนหยาบคายอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในห้วงน้ำแห่งหนึ่งมีตระกูลเต่าใหญ่อาศัยอยู่มานานเต่าตัวหนึ่งกล่าวกับเต่าอีกตัวหนึ่งว่าอย่าได้ไปณที่นั้นนะแต่เต่าตัวนั้นหาเชื่อฝงังไม่ไปณที่นั้นแล้วถูกในพลานยิงด้วยลูกดอก แล้วกลับไปยังที่อาศัยเมื่อเตาผู้หวังดีถามว่าท่านไปยังที่นั้นไม่ถูกทุบตีดอกหรือเต่าดื้อบอกว่าไม่ถูกทุบตีแต่มีเชือกเส้นหนึ่งติดหลังมาเต้าผู้หวังดีจึงกล่าวว่าปิดามารดาปู่ย่าตายายของเจ้าได้รับทุก์ถึงความพินาศมานักต่อนักแล้วเพราะเชือกเส้นนี้แหละออกไปนะออกไปเดี๋ยนี้เจ้าไม่ใช่พวกของเราแล้ว ภิกษุทั้งหลายคําว่าลูกดอกเราหมายเอาลาบสการะชื่อเสียงคําว่าเชือกเราหมายถึงนันทิราคะคือความกําหนัดเพราะความเพลิดเพลินลาบสการะชื่อเสียงทารุณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายแกะขนยาวเข้าไปสู่ชัดป่ามีหนามมากมันพึงติดหนามหนามเกี่ยวไว้ได้รับทุกข์ถึงความพินาศในที่นั้นๆฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นลาบสการะและชื่อเสียงครอบงามแล้วย่ำยีจิตแล้วเวลาเช้าเข้าไปบินทบาีในบ้านหรือนิคมเธอคล่องอยู่ในปัจจัยอันปัจจัยเกี่ยวพันผูกมัดไว้ในที่นั้นๆย่อมได้รับความทุกข์ถึงความพินาศภิกษุทั้งหลายนอนกินอุจจาระเต็มท้องแล้วยังมีอุจจาระกองโตวางอยู่ข้างหน้าอีก มนึกดูมินนอนตัวอื่นว่าเรากินอุจจาระเต็มท้องแล้วยังมีอุจจาระกองโตวางอยู่ข้างหน้าอีกชั้นใดภิกษุบางรูปก็ฉชั้นนั้นถูกลาบสการะครอบงามย่ำยีแล้วเวลาเช้าเข้าไปบินสบาตในบ้านหรือนิคมชั้นตามความต้องการเต็มที่แล้วทายกยังนิมนเพื่อให้ชั้นในวันรุ่งขึ้นอีกเธอกลับไปยังอารามอวดอ้างท่ามกลางภิกษุ ถึงลาบสการะนั้นว่านอกจากจะบริบูรณ์ด้วยบินทบาทแล้วยังจะได้จีวรเสนาสนะและขีฬานเภสัชอีกมากมายส่วนภิกษุเหล่าอื่นมีบุญน้อยมีศักดิ์น้อยจึงไม่ได้จีวรบินทบาตและเสนาสนะขีฬานเภสัชเธออันลาบสการะและชื่อเสียงย่ำยีแล้วย่อมดูหมิน่นภิกษุอื่นผู้มีศีลมีธรรมข้อนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อโทษทุกข์แก่ภิกษุนั้นตลอดกาละนานดูเถิดภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียงทารุณอย่างนี้เผ็ดพร้อนร้ายกาดอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอเห็นสุนัขริงจอกแก่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นโรคเรื้อนหรือไม่เห็นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายสุนัขริงจอกตัวนั้นอยู่บนบกก็ไม่สบาย อยู่โคนไม้ก็ไม่สบายอยู่ในที่แจ้งก็ไม่สบายเดินยืนนั่งนอนตรงไหนก็ไม่สบายไปเสียทั้งนั้นชั้นใดภิกษุอางรูปก็ฉันนั้นอันลาบสการะและชื่อเสียงครอบนามย่าดีแล้วจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายยืนเดินนั่งนอนก็ไม่สบายเพราะจิตร้อนได้โลภะภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรูด้วยใจของเราว่า คนบางคนไม่ยอมพูดเท็จแม้เพราะถาดทองคําอันเต็มด้วยผงแร่ยัว่วยวนแม้เพราะถาดเงินอันเต็มด้วยแร่ทองคําแม้เพราะแท่งทองคําแท่งทองสิงคีแม้พเพราะเแี่นดินอันเต็มไปด้วยทองคําหรือแม้เพราะการสูญเสียชีวิตแต่พอเขาถูกลาบสการะและชื่อเสียงครอบงามแล้วเขาก็พูดเท็จได้ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปมาตุคามหรือหญิงสวยก็ไม่อาจย่ำยีจิตของเธอได้แต่ลาบสการะและชื่อเสียงสามารถย่ำยีจิตใจของเธอได้ดูเถิดภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียงทารุณเผด็จพรนร้ายกาศเพียงไหนภิกษุทั้งหลายลาบสการะและชื่อเสียงนั้นเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์ตะขีนาศเมื่อพระศาสดาตรัสดังนี้ พระอ น, นุลได้ทูลถามขึ้นว่าเพราะเหตุใดเล่าพระเจ้าข่าลาบสการะและชื่อเสียงจึงเป็นอันตรายแม้แก่พระขีณาศพด้วยดูก่อนอ น, นุลลาบสการะและชื่อเสียงจะเป็นอันตรายแก่เจโตวิมุติความหลุดพ้นแห่งใจของพระขีณาศพก็หาไม่แต่ว่าเป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของพระขีณาศพนั้น เพราะต้องเป็นภาระกับเรื่องคนไปบาหาสูไม่มีเวลาเป็นของตนเองเป็นตน้นดูก่อ น, อนุนลาบสการะและชื่อเสียงเป็นของทารุณเผ็ดร้อนร้กาดอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงตั้งใจว่าจักลรลาบสการะที่เกิดขึ้นแล้วเสียและไม่ให้มันครอบงำจิตใจได้ดูก่อนผู้สแสวงหาสาระพระาศาสดาได้ตรัสตำหนิโทษ ของลาบสการะและชื่อเสียงไว้เป็นอันมากอย่างนี้ควรที่เราทั้งหลายจะใส่ใจและปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้ลาบสการะและชื่อเสียงครอบนำได้ สาลีบุตรนั้นเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักและกล่าวว่าจะแสดงความเลื่อมใสของตนให้ปรากฏอยู่เนืองๆครั้งหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่นสวนมะม่วงของปาวาริกาเศรษฐีแขวนเมืองนาลันทาพระสารีบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าพระองค์เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักแน่ใจว่า ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีสมณะหรือพราหมณ์อื่นใดจะมีความรู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณดูกรสารีบุตรเธอรู้หรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตและในอนาคตมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีพระปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีความหลุดพ้นอย่างนี้ เธอจึงกล้ากล่าวอาสภิวาจาอันประเสริฐบรรเลอสีหน้าต่อหน้าเราตถาคตอย่างนี้ไม่เลยพระเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่ทราบถึงวิหารธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและในอนาคตเลยช่างเธอสารีบุตรแต่เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสพุทธเจ้าอยู่ในปัจจุบนันนี้เธอรู้หรือว่ามีศีลอย่างนี้ มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมอย่างนี้มีความหลุดพ้นอย่างนี้มีได้เลยพระเจ้าค่าดูก่อนสารีบุตรเมื่อเธอไม่มีเจโตปริยาญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันดังนี้แล้วฉนัยเล่าเธอจึงกล้าเปล่งอาสพิวาจา บลลือสีหนาตต่อหน้าเราว่าไม่มีใครมีความรู้ยิ่งไปกว่าเราในทางพระสัมผูฏิยานข้าแต่พระธรรมราชาแม้ข้าพระองค์จะไม่มีญาณอย่างทราบถึงบิหารธรรมเป็นต้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริงแต่ข้าพระองค์ก็พอทราบอาการที่เป็นแล้วของธรรมได้ทำมันนวโยพอเทียบได้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 สัตว์ที่มีร่างใหญ่จะเข้าออกเมืองนี้จะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นชั้นใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นพอทราบอาการที่เป็นแนวทําได้คือข้าพระองค์คิดว่าพระอระหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าที่มีมาแล้วในอดีตและที่จักทรงอุบัติขึ้นในอนาคตล้วนทรงละนิวรห้าอันเป็นเรื่องเศร้าหมองแห่งใจทอนกาลังปัญญา ล้วนมีพระมนต์ตั้งมั่นในสติปัฐานสเจริญสัมพุทโธงเจ็ดได้ตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทียานแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ก็ทรงละนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจทอนกาลังปัญญามีพระมนต์ตั้งมั่นในสติปัฐานสเจริญสัมพุทโธงเจ็ด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 พร้อมอุปมาอย่างใดข้าพระองค์ก็สามารถรู้ตามเข้าใจได้ซึ่งธรรมนั้นได้ถึงความสําเร็จธรรมบางส่วนคือเข้าถึงธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสในพระองค์ยิ่งนักว่าพระผู้มีพระภาคัสรู้เองโดยชอบแน่แล้วพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติชอบแล้ว ต่อจากนั้นพระสารีบุตรได้สรเสริญพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วอันทําให้ท่านเลื่อมใสอื่นๆอีกเป็นอันมากในที่สุดพระสารีบุตรได้กล่าวทูลว่าข้าแต่พระจอมุนีสิ่งใดที่คนบุตรผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรมีความเพียรมั่นคงจะพึงบรรลุได้ด้วยเดิมแรงกําลังและความเพียรความบากบั่นของบุรุษสิ่งนั้น อันพระผู้มีพระภาคได้บรรลุเต็มที่แล้วอนหนึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงหมกมุ่นมัวเมาในกาลมาสุขอันเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่เป็นประโยชน์แท้จริงพระองค์ไม่ประกอบตนด้วยอัตกิลามฐานุโยกคือการทําตนให้ลําบากโดยเปล่าประโยชน์สิ่งนั้นทําให้เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ประเสริฐเลย พระผู้มีพระภาคเมื่อจำลองหวังอยู่ย่อมได้ฌานสี่โดยไม่ยากอยู่สบายในปัจจุบันได้ตามพระประสงค์ข้าแต่พระจอมุนีถ้ามีใครถามข้าพระองค์ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งในอดีตและอนาคตที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระองค์มีอยู่หรือไม่ข้าพระองค์จะตอบว่าไม่มีเลยถ้าเขาถามว่า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 ถ้าเขาถามว่าเหตุไรท่านสารีบุตรจึงตอบรับบ้างปฏิเสธบ้างข้าพระองค์พึงตอบเขาว่าข้าพระเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระอระหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านในอดีตและอนาคตเป็นผู้มีความเสมอกับพระองค์ในสัมโพธิญาณแต่ข้อที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าสองพระองค์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 ผูกแล้วสารีบุตรถูกแล้วเธอกล่าวแก้ชอบแก่คําถามแล้วเมื่อพระาศาสดาตรัสดังนี้พระอุทายีซึ่งนั่งอยู่ณที่นั่นด้วยได้กราบทูลขึ้นว่าอัศจรรย์นักพระเจ้าค่ะไม่เคยมีมาได้มีขึ้นแล้วคือข้อที่ความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระผู้มีพระภาคผู้มีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมากถึงปานี้แต่พระองค์ไม่ทรงแสดงพระองค์ให้ปากฏพระองค์ผู้เจริญถ้าพวกดิรฐีปริภาโชคได้เห็นทำอย่างนี้ในตนแม้สักข้อหนึ่งพวกเขาจะต้องยกทงเที่ยวประกาศให้คนทั้งหลายรู้เป็นแน่แท้พระทศพลยอมรับถ้อยคำของพระอุทายีนั้นว่าเป็นความจริงและตัดกับพระสารีบุตรอีกว่าสารบุตร ด้วยเหตุนี้เธอพึ่งกล่าวธรรมปริยายนี้เนืองๆแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าคนบางพวกอาจมีความสงสัยเคลือบแคลงในตถาคตอยู่เมื่อได้ฟังธรรมปริยายนี้แล้วจกละความสงสัยเคลือบแคลงนั้นเสียได้ธรรมปริยายนี้ชื่อสัมปัสาธนิยะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส พระสารีบุตรอัคราสาวกเบื้องขวาได้ประกาศความเลื่อมใสของตนเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระธัาคุศเจ้าทรงแสดงยมุกกปาฏิหารคือปาฏิหารที่ทรงแสดงเป็นคู่คู่เช่นท่อน้ําไหลจากพระหัตถ์ข้างซ้ายท่อไฟไหลออกจากพระหัตถ์ข้างขวาเป็นต้นแล้วเสร็จจําษาพระดาวดึงที่พบโปรดพระพุทธมาดา ในวันออกพรรษาเสด็จลงจากเทวโลกณสังกสนครเมืองที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอยู่ในเวลานั้นขณะที่พระศาสดาหยุดประทับอยู่ที่ประตูเมืองสังกสนครนั่นเองพระสารีบุตรมาถวายบังคมพระจอมบุตีได้เห็นพระพุทธสิริความสง่างามของพระองค์อันตนไม่เคยเห็นมาก่อนจึงได้ประกาศควาเมเบิกบานพอใจขึ้นว่า พระาศาสดาผู้มีพระวาจาไพเราะทรงเป็นอาจารย์ของคณะเสร็จมา จ, จากเทวโลกอย่างนี้ข้าพระเจ้ายังไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยดังนี้แล้วกราบทูลพระาศาสดาว่าพระเจ้าข้าวันนี้เทวดาและมนุษย์ต่างกรยิมยินดีต่อพุทธภาวะปรารถนาเป็นอย่างพระองค์เหลือเกินพระจอมุนีตรัสว่า สารีบุตรเออยธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณเห็นป่านี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นปาฏขวนขวายในฌานยินดีในพานิพานอันเป็นธรรมที่ออกจกากามสงบประงับเยือกเย็นเต็มที่เทวดาและมนุษย์ย่อมกระยิมยินดีต่อพระพุทธเจ้าเช่นนั้น ท่ามกลางยมกรปาติหันสมาคมอันยิ่งใหญ่นี้ความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางสุขุมลุ่มลึกของพระสารีบุตรได้ปรากฏแล้วแก่ชุมนุมบริษัททั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะในสมาคมนี้ด้มีการถามและการตอบปัญหาธรรมกันมากพระาศาสดาได้ตรัสถามปัญหาหลากหลายเพื่อประกาศความรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสาวกของพระองค์เป็นลาดับชั้น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 ก็ไม่อาจแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมคลานะได้พระมหาโมคลานะก็ไม่อาจแก้ปัญหาในวิสัยของพระสารีบุตรแม้พระสารีบุตรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าเช่นกันพระศาสดาทอดพระเนตรทิศ ท, ทั้งปวงสถานที่ทั้งปวงมีเนินเป็นอันเดียวกันคือมองดูเป็นพืชเดียวกันหลามล้นเลยฝูงชน ผู้มาเฝ้าทรงถามปัญหาสุดท้ายในวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทรงดาริว่าสารีบุตรมีปัญญามากก็จริงแต่ไม่อาจตอบปัญหาอันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ให้นัยะถ้าให้นัยะสารีบุตรจะตอบได้จึงทรงประทานนัยะพอได้นัยะเท่านั้นเพระสารีบุตรก็สามารถแทงทะลุ ป, ปัญหาเป็นร้อยนัยะพันนัยะ ผู้อื่นนอกจากพระาศาสดาแล้วไม่มีใครมีปัญญาเสมอเหมือนพระธรรมเสนาบดีจึงได้รับยกย่องจากพระทศพลว่าเป็นพระษาวกผู้เลิศทางปัญญาหาอะไรเปรียบได้ยากหยาดฝนในท้องฟ้าก็น้อยไปเม็ดทรายในมหาสมุทรก็น้อยไปแผ่นดินว่ากว้างใหญ่ก็ยังไม่เท่าปัญญาของพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญาเกินเปรียบ ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเห็นปานีเมื่อพระศาสดายังไม่ประธานายะก็ไม่อาจวิสัชนาปัญหาในพุทธวิสัยได้ดูเถิดพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากเพียงใดพระทรงฆ์สั่งสมพระปัญญาบารมีมาเป็นเวลานา น, านสุดจะคณนาได้ภิกษุทั้งหลายชมเชยพระสารีบุตรว่าคนทั้งหมดที่มาประชุมกันไม่อาจแก้ปัญหาใดได้ได พระสารีบุตรผู้เดียวเท่านั้นแก้ปัญหานั้นได้พระาศาสดาตรัสว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมีความยุ่งยากเกิดขึ้นคนผู้ไร้ปัญญามาประชุมกันแม้มากเป็นกลุ่นพันแกล้าคล้วนอยู่ตั้งร้อยปีบุคคลผู้มีปัญญารู้อัดแห่งพาษิตธ์เพียงคนเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าเพราะสามารถเปื่องคนเป็นอันมากออกจากทุกได้พระธรรมราชาตรัสต่อไปว่า เลกสูทั้งหลายสารีบุตรสามารถแก้ปัญหาที่มหาชนไม่อาจแก้ได้ในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เคยแก้มาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องปัญญาในอดีตของพระสารีบุตรต่างต่อไปนี้ในอดี ต, ตการพระภูติสัตว์เกิดในตระกูลพราหม์เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้สลักทรัพย์สมบัติออกบรรพชาปิเลสี บำเพ็นเพียงจะได้อภิญญาสมาบัติอาศัยอยู่ในหิมวันแต่ประเทศมีฤาษีเป็นบริวารจำนวนมากต่อมาหัวหน้าสิทธิ์ของโพธิสัตนั้นออกจากป่าเข้าไปในเมืองเพื่อริมรถเปรี้ยวเข็มบ้างได้พาหมู่ฤาษีครึ่งหนึ่งไปด้วยเมื่อหัวหน้าสิทธิ์จากไปแล้วไม่นานก็ถึงการที่ฤาษีโพธิสัตว์จะมรณภาพพวกสิทธ์ได้พากันห้อมล้อมถามอาจารย์ว่า ท่านอาจารย์ได้บรรลุคุณโดวิเศษอะไรบ้างท่านอาจารย์ตอบว่าไม่มีอะไรเลยสักหน่อยหนึ่งนัตถิกินติดังนี้แล้วก็มรณาภาพไปไปเกิดในพรหมโลกชั้นอาภสราสิทธิ์ทั้งหลายสำคัญมัญญหมายว่าอาจารย์ไม่ได้บรรลุอะไรจึงไม่ได้ทำสการะในการชาปนกิจศพได้แต่จักชวนกระเศร้าโศกคลั่มคลวน เมื่อหัวหน้าสิทธิ์กลับมาไม่เห็นอาจารย์จึงถามทราบความว่าอาจารย์สิ้นชีวิตเสียจแล้วถามสิทธิ์ร่วมสานักว่าก่อนตายท่านทั้งหลายได้ถามคุณวิเศษที่อาจารย์ได้บรรลุหรือไม่ได้ฟังสิทธิ์ร่วมสานักเล่าถึงคำพูดของอาจารย์ก็เข้าใจความหมายว่าอาจารย์ได้บรรลุอากินจัญญายตนาชาญเป็นชาญลำดับที่เจ็จึงบอกสิทธิ์ร่วมสานักของตน แต่คนอื่นๆหาเชื่อไม่พระโพธิสัตว์ทราบเรื่องนี้จึงลงจากโพรโมโลกโดยอนุภาพอันยิ่งใหญ่แสดงตนให้ปรากฏสันเสริญคุณของหัวนาดาบดว่าคนอื่นจำนวนพันหาปัญญาไม่ได้พากันค่้าควรอยู่แต่ผู้มีปัญญาเพียงผู้เดียวรู้ความหมายแห่งคำสุภาษิตเป็นผู้ประเสริฐกว่ากว่าคนอื่นนับจานวนพันนั้น พระาศาสดาตรัสว่าหัวหน้าสิทธ์ในครั้งนั้นคือพระสารีบุตรในครั้งนี้ส่วนอาจารย์คือเราตถาคตนี่เองอีกเรื่องหนึ่งพระตถาคตเจ้าทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นบุรุษผู้สูงสุดเพราะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติแห่งบุรุษผู้สูงสุดนั้นมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30สิบรูป มาสู่สนักของพระาศาสดาพระพุทธองค์ทรงตรวจ ด, ดูอุปนิสัยแห่งพิสุเหล่านั้นแล้วทรงทราบว่ามีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลแต่ต้องอาศัยการตอบปัญหาของพระสารีบุตรพระองค์จึงรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าตรัสถามปัญหาเกี่ยวกับอินสี่ห้าคือศรัทธาเวียะสติสมาธิและปัญญาว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่า อินทรีห้ามีศรัท ธ, ธาเป็นต้นที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพระธรรมเสนาบดีกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญอินทรีหา้ามีศรัท ธ, ธาเป็นต้นอันบุคคลใดไม่อบรมให้มากไม่ทาให้แจ้งด้วยตนเองไม่ถูกต้องด้วยปัญญาของตนเอง ผู้นั้นยังต้องเชื่อผู้อื่นอยู่ในเรื่องนี้พสิสุทั้งหลายติเตียนพระสารีบุตรว่าแก้ปัญหาไม่ตรงกวดเก่งไม่ยอมเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำติเตียนของพสิสุทั้งหลายแล้วตรัสว่าพาิษุทั้งหลายใครใคไม่พึงติเตียนสารีบุตรสารีบุตรไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอีกในเรื่องเกี่ยวกับชานวิปัสสนามรรคและผล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 เป็นบุรุษผู้สูงสุด